คดีเกษตรชุดใบด่างมั่นสัมปลังตอนอาการของโรคใบด่างมั่นสัมปลังอาการของโรคใบด่างมั่นสัมปลังสังเกตจาก 1. ลักษณะอาการบนยอดส่วนของยอดอ่อนหรือยอดที่เกิดใหม่แสดงอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มมีขนาดเรียวเล็กงิกงอและเสียรูปทรง 2. ลักษณะอาการบนใบ ส่วนใบที่ทัดลงมาจากยอดหรือใบแก่สีพออาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มงิดงอและเสียรูปทรงลักษณะการเกิดโรคที่มีเชื้อไวรัสติดมากกับถอนพันธ์สีพออาการใบด่างเบิร์ต้นตั้งแต่ยอดลงมาถึงใบล่างต้นมันสัมปรังสิมีลักษณะแขกแกลนลักษณะการเกิดโรคที่มีแร็งวีขาวยาสูบเป็นผ้าหะ หมักแพร่ลูกกล่ามจากจุดที่เป็นโรคออกไปเป็นบริเวณกว้างหากมาแมลงวีขาวยาสูบบินมาจากแปลงขางเคี่ยงหมักสิเกิดการแพร่จากขอบแปลงเข้าสู่กลางแปลงหากมั่นสัมปะหลังได้รับเชื้อช่วงอายุ 1-2 เดือนสิเห็นอาการใบด่างในใบลางคลายกับการเกิดโรคจากท่อนท่านแต่ถ้าหากติดในระยะหาถึง6เดือน ตนอายุหลายหรือล่งห <antics> ัวแล้วหมากสีหินแค่ส่วนยอดและใบลางถัดลงมาจากยอดสีบ่ออาการใบด่างถวทั้งตนพอใบด่างมั่นสําปรังในพื้นทีให้รีบทําลายตามคําแนะนําของทางราชการและขอคำในะนําเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอใกลบ้านรูเร็วรูไหวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมั่นสําปรัง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 ช่อนั้นแ่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนทางน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาา สัทธาบัน ความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนาดำนพาด้วยคุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา สวัสดครัท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทังบ้านนะครับรายการทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับนะซึ่งในช่วงนี้นี่ก็ อ, อ, ยอย่างที่บอกแลครับหลายฝ่ายจับตาเกีกัเรื่องของการะจะจัดตั้งรัฐบาล น, นะครับแตนะ่ซึ่งก็กําลังดําเนินการกันอยู่ ตอนนี้นี่ก็มีเพื่อไทยนะครับนำในการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลนะก็เห็นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ<ม>า ก, การเจราจากันหลา ก, หล า, กหลายพักแล้วครับนะซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูนะครับว่าในส่วนของนายองเปรย์ของเพื่อไทยนี่ก็จะจะผ่านการบวชของสภาหรือไม่ต้องได้3้อย นะ376เสียงนะครับเนะพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็กำลังเห็นดำเนินการมีการพูดมีการคุยกันอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยกนะ็มีหลายส่วนนี่ก็เสนอบอกว่าถ้านะมีการลาบยาวกันไปนะตั้งไม่เสร็จรอให้10เดือนเนี่ยนะอำนาจวุฒิสภาหมดนะหมดอำนาจในการที่จะมีส่วนร่วมในการบวชนาะยกนะก็จะทำให้นะสอสอนะที่มีเสียงข้างมากนี่ได้รับการ บวได้รวดเร็วนี่ก็แต่ก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยจะเสียหายนะยืดออกไปนะจากข้อคิดเห็นของสภาพัฒนะครับนะก็ต้องฟังกันหลายๆฝ่ายในส่วนของนนะายดนุชาพิชยานันเลขาธิการสภานะพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะก็บอกว่ากรณีที่มีพักการเมืองเสนอให้รัฐบาลรักษาการยาว10เดือนลรอให้สว หมวดวาระก่อนบวชนายกก็บอกว่ า, าก็าจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางด้านเศรษฐกิจก็อาจะเป็นบ้ า, าการจัดทํางบประมาณนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนผลกระทบมากพอสมควรนะครับ น, ะนี่ก็เป็นความเห็นของของขอ ง, ของสภาพัฒน์นะก็บอกว่ า, านายดนุชาเดียนะสภาพัฒน์ก็บอกว่าประเมินวงเงินที่จะลงทุนในระบบเศรษฐกิจนะหลังจากที่หมด ปีงบประมาณ 2,016 นะไปอีกสองไตามาดนะก็ตั้งแต่ตุลาจนถึงมีนาคมศกนะหน้าเนี่ยอาจจะมีมดเงินในช่วงนี้ใช้งบประมาณไปพางก่อนประมาณ 1.8 ล, ล้านล้านบาทนะซึ่งจากวงเงินนะงบประมาณของภาครัฐนะที่ตังไว้ 1.6 ล้านล้านบาทนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็อีกนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการ การจะทํำก็ประมาณล่าช้าออกไปนะครับ ก, ก็จะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาทางการค้ากับต่างประเทศหรือ FTA ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องรอให้ให้มีรัฐบาลที่ ท, ท, ท, ที่มีรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะครับนะเขาต้องรอถึงจะเริ่มที่เจราจานะการค้าการขายการลดภาษีอะไรต่างๆ นะก็ต้องรอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับส่วนนางอัจจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคอรอมอรก็บอกว่าสำนักเลขาธิการคอรอมอรก็จะต้องเลื่อนปฏิทินการทํางานของรัฐบาลใหม่ออกไปนะครับซึ่งก็จะได้นายกตีใหม่อย่างช้าที่สุดที่คาดกันไว้ก็คือ27กรกฎานะครับนะ ถ, ถ้าได้นะครับ ก, ก็ต้องดูแต่ว่าในส่วนของประธานสภาก็ประกาศเลื่อนออกไปแล้ว อนะันนี้ก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันในส่วนของสำนัก ง, งานเลขที่การคลรมก็ต้องปรับปฏิทินกันใหม่นะครับส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะก็ได้รับนโยบายจากรองนายกพิสุนุเครื่องงานบอกขนาะนี้หน่วยงานราชการที่ต้องโยกย้ายค้ารการระดับสูงก็เสนอมานะยังคลรมได้แต่คลรมก็ต้องส่งไปให้กรกตพิจารณาก่อน นะเพราะว่าถ้าเป็นเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับรัฐบาลรักษาการนี่ก็ไม่มีอำนาจเต็มนะถ้าทางานในช่วงนี้ก็จะต้องให้ในส่วนของนะในส่วนของก ก, กตเป็นคนอนุมัตินะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับก็จะทําอย่างไรส่วนในนะประกรนินประพันธ์เลขขาธิการคณะกรมการกฤษฎิการนะก็บอกว่ากรณีรัฐบาลรักษาการต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับ แม้ว่าในทางกฎหมายสามารถทําได้และไม่กระทบนะต่อการทํากฎหมายต่างๆแต่ว่าในขณะนี้ก็มีกฎหมายที่เป็นพรบรนะก็ยังไม่ก็ยังไม่มีค้างนะครับนะก็เป็นเพียงกฎหมายรูปนะทางด้านกฎหมายนี่ไม่กระทบมากนะครับนะไม่กระทบมากการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับประหลัดกระทรวงขึ้นไปของรัฐบาลรักษาการเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่า พอจะสิ้นงบประมาณแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคนทำงานนะก็น่าจะสามารถทำได้แต่ว่าก็ต้องให้ให้กะกะตนี่อพิจารณานะรับรบองเพราะฉะนั้นนีตรงนี้นี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่นะครับรับฟังเพลงสักเพลงก่อนจะมาพูดมาคุยครับ เจ้ขึนไม่เจ้างาป่านว่านางไ อ, ไ อ, ไอาอก็ได้จะยาพาแดงใทยบานว่าเหมาะสมเป็นซีนสองตอนอ่อนเีรื่อแต่งเกินอยากเห็นเขาหาเขาแพงดังแยงกันฮอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลา เไท้ข้าเข้าห้างป่าโชคชะตาพัฒนาจากกันเข้าว่าน้องนางไอมีคนป้อนไขรเด้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันอายนมีำจำ้องเพชาไทยเมื่อบุญบางไปไอยยังจำได้ดูริมน้องห้าง ครั้งหลายปีก่อนนั้นไปย้อนตำนานผ้าแดงนางไอ้โดยสัญญาสิี่บอกให้ลมคือน้องหานให่ทีกจักาสาด้าแดงนางไอ้สิหากกันไปบ่ววยสายแน่คืออดคือเก่าแม้ฮักสองหงอสิสุดทางฝัน ใจออ้ก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนไอ้สิจุดบังไฟที่เราฝากคำไปบอกพระยาเทพว่าผ้าแดงยังมั่นยังแกนรอต่อสายแนนนางไอ้ของไอ จากศาสตร์ผ้าแดงนางไอสิหักกันไปบอวายสายเนี่ยที่ทอดคือเก่าแม้หักสองหงสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยัดถึงศาสตร์มีนั้นบ่ได้เป็นแฟนายสิจูบบังไฟแล้วพาข้าไปบอกขยานแหน่บักผ้าแดงยัง ยังแก่นเราะต่อสายแน่นนางอยของอายซาตุขาดผู้หว่วมใจสิทาศาดตรม่นางอายของอาย มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนในส่วนของประธานสภานะครับในวันมูฮัมหมัดนอมัตตาประธานสภาผู้แทนสุดอมีการสรรพนาบทบาทหน้าที่ของสอสกับการสนับสนุนกนรงงารดําเนินงานในการให้บริการประชาชนอะไรต่างๆนี่ในประธานสภาผู้แทนสุดอนนะ ในวันวันมูฮัมหมัดอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทาเนี่ยนะครับนะอาจารย์วันนอนี่ก็บอกว่าเป็นสสมา1 1ปี1ีสปี11สมัยนะท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็พูดในฐา น, นะสสรุ่นพี่นะก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยให้ตั้งใจนะทำงา น, นโดยสมัครใจเป็นผู้แทนของประชาช น, นแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าอำนาจอธิปไตยของสสเนี่ยมาจากประชาชนนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็น นะผู้แทนแล้วก็อย่าเบื่อประชุมสภานะอยากให้สสนี่ตั้งใจทํางานนะนะถ้าเราเข้ามา4ปนะีจากการเลือกตั้งเนี่ยนะบางคนก็ได้กลับเข้ามาบางคนก็ไม่ได้กลับเข้ามานะครับนะเพราะว่าพวกไม่ได้กลับเข้ามาเพราะว่าหลายคนไปแปลงร่างเป็นงูเห่านะว่างั้นนะครับนะในส่วนของประธานก็มีการมีการแซลมีการกระทบนะแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ย นะท่านก็บอกว่า40คนในหลายคนไปเป็นงูเห่านี่ก็ไม่ได้กลับเข้ามาเป็นสสนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยาแปลงร่างเป็นการแซลล์นะครับของประธานนะประธานสาภานะครับนะการระยะยาวเนี่ยก็จะถ้ามอีอุดมการณ์ก็จะเป็นสสขวัญใจประชาชนก็อยู่กันนะระยะยาวแต่ประธานก็ยังบอกว่าสสเนี่ยต้องปรับตัวตามบริบทของสังคมนะครับถ้าสังคมเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย นะครับนะเพื่อตอบสนงองต่อประชาชนนะถ้าเร า, าไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามสังคมเนี่ยก็อาจจะสอบตกนะเพราะฉะนั้นนี่ในเล่าถึงสมัยก่อนนะครับนะในสมัยที่นายสมัครสุนทรเวชเป็นฝ่ายค้านตนเป็นประธานสภาก็ามักจะหนักใจเ่อเรามีการโต้อตอบกันแล้วครับในส่วนของสอสอกับประธานก็โต้อตอบกันแต่ว่าก็ทําใจเพิ่มเป็นระบบประชาธิปไตย นะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะให้แต่ละคนอดทนและยึดระเบียกของการประชุมนะครับนะก็เป็นการที่ในส่วนของนะประธานในอบรมสอสอนะครับนะก็พยายามให้ให้ตอบสนองต่อนะการทํางานนะของของแผ่นดินนี่แหละครับนะพยายามอย่างนั้นนะครับนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดําเนินการนะครับส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของ ที่อดีตนายยงตรีทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับนะมีข่าวบอกว่าจะกลับวันที่10 ส, สิงหานะครับนะก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นไปตามนะหลักกฎหมายนะครถ้ามาฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องมีการควบคุมตัวล่ะครับนะเพราะจากการที่นาะงสาวแพร ท, ทองทานบุตรสาว พ, พูดไว้นะก็ต้องดําเนินการตามนะตามกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องดูส่วน น, ะนายปยุทธ์ ศินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรร์ก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วรับตัวในทักษิณจินวัตรสู่กระบวนการยุติธรรมนะคือถ้าขั้นแรกในนักสินกลับเข้ามาเมืองไทยก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตอรมอรับตัวมาแล้วก็ทำบันทึกการจับกลุ่มนะแล้วก็ส่งไปที่ศาลแล้วก็ส่งมาที่เรือนจำกรุงเทพพิเศษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ก็ต้องรอแล้วครับว่าจะเข้ามาจริงหรือไม่คือวันที่10 ส, สิงหาคมแปลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการดําเนินการไม่ได้มีอภิสิทธิ์แต่อย่างไรนะก็เป็นข่าวดังกันอยู่ในช่วงนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วพีคจะสั้นเพราควาันบุรี่เรามาร่วมมือกันลดและเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดิ์กุลธ น, นันต้องขอลาท่าท่านผู้ฟัไปก่อนและพบกันโอกาสห น, น้าครับสวัสดีครับ